ก่อนเวลาไปเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์นะท่านสอนสองแบบแบบหนึ่งเวลาท่านมาเทศเนอะท่านก็เทศอย่างเดียวเลยเทศเทเทศไปแล้วก็เลิกไปเลยอีกแบบหนึ่งเราไปหาท่านเนื้เราภาวนาติดขัดอะไรล้วไปถามก็เลยมีถามตอบไม่ใช่ว่าถามตอบไม่มีนะมี แต่ยุคนี้รอให้พวกเรามาถามหลวงพ่อทีละคนหลวงพ่อตายไง๋แก่เลยเลยนัดมาถามพร้อมๆกันมันกลายเป็นเรื่องประหลาดไปควาจริงครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เลยนะสมัยไปหาท่านแต่ละองค์แต่และองค์งนะบางองค์นะเราติดขัดอะไรไปไม่ทันอ้าปากเลยนะบอกให้เลยนะบางองค์เราก็ไปบอกท่านนะท่านสอนมาอย่างนี้ผมภาวนามาอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้เนะียมันถูกหรือมันผิดนะ ถ้าผิดขอความกรุณาหลวงปู่บอกด้วยถ้าถูกแล้วทํายังไงจะดีแบบนี้เนะี่ยท่านก็บอกเลยที่ทําอยู่นี่ถูกตรงนั้นผิดตรงนี้อะไรนี่ท่านก็บอกไม่ใช่ไม่บอกอะ่ะไม่บอกแล้วจะภาวนาไงอะ่นะลูกศิษย์ทําผิดแล้วอาจารย์ไม่บอกแล้วอาจารย์เงียบเงียบไแล้วแต่เวนแต่กรรมเนะเรียนจกครูบาอาจารย์มาท่านก็บอกงนะั้นแหละนะบางทีไม่ต้องถามอะไรก็บอก ที่ไปถามนะท่านก็ตอบกลับมาเลยรวดเร็วมากมีวคราวไปถามอาจารย์มหาบัวแล้วก็สงสัยหน้าภาวนาแล้วทำไมมันไม่เจริญขึ้นนะมันทรงตัวอยู่เฉยเแยเราก็ดูจิตดูใจอยู่รู้ตัวสบายมีความสุขอยู่งั้นเป็นปีๆเลยนะถามท่านอาจารย์ผมดูจิตดูใจอยู่แล้วทำไมมันไม่พัฒนาเลยมองหน้าเราแวบตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะ ตองเชื่อเรานะไปบริกรรมอย่างเงี้ยมันก็มาดูอ๋อจิมไหลไปอยู่ข้างนอกไปโล่งว่างสบายอย่างที่หลวงพ่อเที่ยวเข็นพวกเราทุกวันเนี้ยมีสิ่งที่หลวงพ่อติดมาแล้วติดได้เป็นปีเลยนะแล้วมีความสุขมากเลยนี่ไปหาครูบาอาจารย์นะท่านก็บอกให้ไม่ใช่ท่านจะปล่อยตามยถากรรมนั้นการสอนเลยมีสองอย่างอย่างหนึ่งนิมนต์ท่านไปเทศท่านก็เทศนะเทศอย่างเดียวเลยเทศเสร็จแล้วตอนขึ้นต้ น, นต้องขึ้นน้โมก่อนนะ นโมแล้วก็ท่องภาษาบาลีมาว่าวันนี้จะเทศเรื่องอะไรก็ลงท้ายก็ยะถาสัพพีอะไร่เงี้ยนะเป็นเรื่องปกติส่วนเรียนกรรมฐานอนนั้นสอนวงกว้างพอสอนถึงขั้นลงมือปฏิบัติจริงๆเป็นรายบุคคลจริงๆก็คือการถามตอบนั่นเองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดไม่บอกลูกศิษย์ก็ตายหลวงพ่อนะกระทั่งไปหาหลวงปู่ดูล่าวสุดท้ายนะ สาหวันก่อนท่านมรณาภาพท่านเทศเทศให้เราฟังแนะสอนนะสอนไปเรื่อยสอนสอนสอนไปเรื่ยสอนในสารพัดเลยจนกระทั่งค่ำแนละ้วท่านหอบหอบเดี๋ยวนี้เราเริ่มหอบอย่างท่านแล้วท่านอายุน้อยกว่าท่านเยอะนะตอนนั้นท่านเก้าสบหอย่างเงี้ยแล้โอ้โอหลวงปูง่หนี่ยเต็มทีแล้วผมกราบลาดีกว่าจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อน พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านบาให้กันบ้านล่วงหน้านะะสอนอย่างนั้นไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่สอนเมื่อไหรล่ละมันกลายเป็นเรื่องแปลกว่าเออพระมาถามตอบมันแปลกกับคนไม่เคยเห็น <c oughs> อ่ต่อไปเชิญอจะเรียกส่งกันบ้านไหมส่งกันบ้านเนี่ยเป็นคำที่ดีรู้ไหม หมายถึงต้องไปทาการบ้านมาก่อนไม่ให้มาถามเล่นๆอย่างนะหลวงพ่อบอกส่งการบ้านหมายถึงว่าต้องไปทำมาแล้วนะที่สอนสอนน่ะไม่ใช่อยู่ๆนึกจะถามอะไรก็มาถามะ้วดหน้าหวยออกอะไรเ <c oughs> งี้ยโดนเฉ่งนะอ้าว่าไปแต่รู้สึกว่าแต่เพ่งน้อยลงหรือป่าคะ <c oughs> แล้วรู้สึกตัวเองไหมล่ะเพียงมากหรือเพียงน้อยอค่ะก็ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจได้รู้ว่าไม่แน่ใจค่ะค่ะรู้เราปัจจุบันไปไม่ผิดหรอกครับกลับนะครับมรสการครับก็จิตวันนี้กับจิตเมื่อวานต่างกันยังไงครับก็วันนี้รู้สึกจะตอนนี้ตื่นเต้นนะครับออแล้วมีอะไรอีกแต่ว่ารู้สึกจะผ่อนคลายมากกว่าที่ที่ผ่านมาครับตอนแรกๆจะรู้สึกจะจงใจปฏิบัติมากครับเบื้องต้นต้องจงใจก่อนนะครับ ถ้าเริ่มต้นเอาแบบผ่อนคลายไว้ก่อนเนี่เสียเลยขี้เกียจนั้นเบื้องต้นจงใจดูไปก่อนนั้นถูกแล้วละ่ะพอดูไปหลายวันแนละ้วมันก็ลดระดับความจงใจลงแล้วมันพอดีนะถ้าเริ่มต้นจะกะให้พอดีนะั้นมันจะหย่อนไปนะก็จะขอคําแนะนําว่าหลังจากห่า <c oughs> ไปใช้ชีวิตที่ทํางานหรือว่าที่ทบ้านไปทำในรูปรบแบบนั้นแหละนะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของเราถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบไปเลยอยู่กับโลกทุกวันทุกวันเราจะถูกโลกลากออกไป หลงยาวยงั้นทุกวันมีวินัยในตัวเองต้องปฏิบัตินะกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะมาอยู่วัดก็ได้เห็นกิเลสภายในเยอะขึ้นนะคะเพราะว่ากิเลสภายนอกมันน้อยลงก็ได้เห็นความคิดที่มันแล่นไปอย่างรวดเร็วไปกลับมารวดเร็วแล้วก็เห็น จิตที่กระทบอารมณ์ได้ชัดขึ้นอย่างตอนที่ฟังหลวงพ่อเล่าเนี่ยเห็นเลยว่ามันสลดบูบลงมาทันทีเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อข้อหนึ่งเจ้าค่ะว่าจิตที่เดินปัญญาแล้วเนี่ยมันจะมีการหยุดหรือมีการถอยหลังหยุดเพราะจิตที่เดินปัญญาเนี่ยไม่เดินทั้งวันจะเดินเป็นช่วงๆนะจิตเนี่ยมีสติเนืองๆได้นะแต่ไม่มีปัญญาเนืองๆอ่ะจะมีปัญญาเป็นครั้งคราว <c oughs> แต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วก็สบายอยู่ันเป็นเดือนเดือนแ น, นแสดงว่าไม่ยอมเดินปัญญา <c oughs> ถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาต้องช่วยมันว <c oughs> ิธีช่วยมันก็คืออาจจะช่วยคิดกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาด้วยการช่วยคิดเ <c oughs> ช่นคิดพิจารณาร่างกาย <c oughs> เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ <c oughs> เป็นปฏิกูลอาสุพะอะไรเงี้ยช่วยมันกระตุน้นไม่ให้มันอยู่เฉย <c oughs> หรือพิจารณาจิต เออจิตที่ว่างๆนี้ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นอย่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอีกอะไรเงี้ยช่วยเป็นคิดนิดหน่อยน ะ, ะ, ะแต่อย่าคิดเดยอะถ้าคิดเดยอะเราฟุงา้งซ่าน อ, อันนั้นสําหรับจิตซึ่งไม่ยอมเดินปัญญากลนะับมารู้สึกกายนะพยายามรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอนะไรเงี้ยคอยดูบ่อยๆไม่เพลินไป เพาะจิตที่ไม่เดินปัญญานะั้นมีความสุขนะเพลิอนอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนะใจอยู่ข้างนอกใจลอยๆอออกไปข้างนอกนะงนั้นไม่ดีย้อนกลับมาในกายย้อนมาในใจดูว่าทางานอย่างนี้นเดินปัญญาตอนที่เดินปัญญาจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดเอาแต่เป็นการรู้เอานะเป็นการเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์นั่นเองถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เดินปัญญาจริงเนาะไม่ใช่วิปัสนาแท้เป็นปัญญาเบื้องต้นท่านั้น เป็นจินตามยะปัญญาปัญญาที่คิดเอาแต่ว่าอาศัยจินตามยะปัญญานั้นกระตุ้นให้จิตไม่ได้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะนะกระตุ้นให้มันมีสติแล้วรู้กายมีสติแล้วรู้ใจดูกายทํางานดูใจทํางานจนเห็นไตรลักษณ์ที่มันนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนานะนะงั้นเบื้องต้นก็นอาศัยจินตามยะปัญญายัางไม่ถึงขั้นภาวนาจนเห็นรูปนามเกิดดับ แล้วก็สุดท้ายน่ในโอกาสที่ได้มาอยู่วัดเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นครั้งเดียวนะคะก็ทำไมว่าหลวงพ่อจะเจงแล้วเหรอหลวงพ่อไม่ให้มาคิวยาว่ <laughs> <laughs> ยมก็ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ได้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขายามที่พวกเราไม่รู้เรื่องที่ได้ชี้ทางสว่างให้พวก<ด>เราเดจอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาวิชาตาัณหาอุปาทานไป้าวนาไปไม่ต้องขอบคุณเสียเวลานะเอาเชิญใครจะคุยไหนมีอีกไหมเอาหมอ กราบหลวงพ่อค่ะคื อ, คอที่ที่ได้มาปฏิบัติอยู่วัดเนี่ยมันมีตัวหนึ่งพอนอนหลับแล้วก็มันเหมือนภาว้า ว, าว่าเอ๊ะใจเรากคงจะวิ่งอูกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าเจ้าค่ะห้ามมันไม่ได้หรอกมันมันเกรงมากไปนหน่อยมันกลัวจิตจะหลงนะมันระวังมันระแวงมากไปใหม่ๆเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรก็ผมกราบลิ้นถามว่า ไม่ทราบว่าตอนนี้จิตเนี่ยมันเบาวกว่าเมื่อวานไหมฮะจิตมันเบาวกว่าเมื่อวานไหมเ<ะ>มื่อวานจําไม่ได้แล้วหมอ <c oughs> หมอแล้วรู้สึกยังไงล่ะมันรู้สึกดีขึ้นเพ่งน้อยลงตอนนี้รู้ไปแต่นี้ผมเรียนถามนี่ของผมีจริงๆหาวิหารทําที่เหมาะ ก, กับตัวเองไม่ได้ไม่ทราบท่านมีคําแนะนํำไหมคือโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนคิดมากนะคิดมากก็ต้องดูจิตเราแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันยุ่งมากเกินไปมันคิดทั้งวันอยู่แล้วมันไม่มีแรงจะมาดูงั้นหมอดูกายไว้ก่อน นะใจมันฟุ้งมากเกินดูจิตไม่ได้ก็ดูไกลนะ <Okay. S 1> เอาเชิญคนไหนจะคุยเอเบอร์อะไรเบอร์35รเบอร์ร้ยอยโยมกาบนามัสา ก, การหลวงพ่อค่ะโยอมอยากมาขอคำแนะนำาหลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติทรมาถูกต้องบ้างไหมไปฏิบัตินะไม่มีศีลมีศีลขึ้นมากระถูกอ่ะ ไม่มีสมาธิใจล่องลอยทุกวันทุกวันนะจิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างก็ถูกละไม่เคยเห็นกายทำงานไม่เคยเห็นใจทํางานมาเห็นมันทํางานบ้างก็ถูกแล้วนะ<อ>แล้วไงล่ะอยากขอคําแนะนำหลวงพ่อรู้สึกตัวบ่อยบรู้จักใจลอยไหมรู้จักะะเห็นไหมใจลอยได้ทั้งวันดูออกไหมตัวนี้ดูออกแล้วตันะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกบ่อยๆนะร้อยสิบห้าขอบพระคุณเจ้าค่ะอยู่ด้านหน้าสิบห้า การนมัสการค่ะหลวงพ่อคือเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วอะคะ่ะหนูมาส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกว่าช่วงนั้นมันแพงให้ลดการทําในรูปแบบลงแล้วก็ให้ไปภาวนากับการทํางานบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีหนูไม่ค่อยได้ทํางานบ้านนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเห็นเห็นจิตลดลงอะคะ่ะเหมือนมันฟุ้งทั้งวันแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเท่าไหร่แล้วเหมือนกับเขาเร า, เราไม่มีเครื่องอยู่ที่หลวงพ่อให้ไปทํางานบ้านเลยเพื่อให้ออกกายเป็นเครื่องอยู่แต่เดิมเราเพ่งไว้แรงถ้าเพ่งไว้แรงเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดเพราะจิตมันจะนิ่งๆรู้สึกไหมมันจะค้างนิ่งๆไปทั้งวันอย่างนั้นมันจะไม่เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงงั้นเราไปเพ่งให้นิ่งเนี่ยมันสุดโตไปข้างบังคับตัวเองก็ต้องปล่อยนี่การปล่อยนะถ้าปล่อยให้ดีต้องมีเครื่องอยู่ ถ้ปล่อยไปเลยไม่มีเครื่องอยู่ยจิตจะฟุง้งซ่านมากนะพี่หลวงพ่อบอกให้ไปทํางานบ้านบ้างหมาถึงให้ไปรู้กายบ่อยๆนะเอากายเป็นวิหารธรรมให้เคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปยักหน้าเห็นร่างกายไปยักหน้าอะไรเนี่ยรู้สึกที่ร่างกายนะรู้สึกไปทั้งวันเลยนะคือคนที่ติดเพ่งมาก่อนเนี่ยก ร, รมาทานที่เหมาะในช่วงนั้นก็คือการรู้กายไว้ก่อนเพราะนั้นเวลาคนที่จะรู้กายเนี่ยเขาจะทําสมาธิก่อนมันเหมาะกัน แต่ไทยทําสมาธิมาแล้วมาดูจิตเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างจะนิ่งๆไปหมดเลยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อถึงบอกให้ไปรู้กายไว้นะเห็นร่างกายกระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยดูเรื่อยๆไปจิตมีเครื่องอยู่คือรู้กายเมื่อไร่จิตฟุ้งซ่านจิตก็ลืมกายเห็นไหมพอลืมกายไปแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้โอ้เผลอไปแล้วเนี่ยจะไม่เผลอนานรู้สึกอยู่ที่กายบ่อยๆที่ที่เผลอนานนะพอเลิกเพ่งพอเลิกเพ่ ง, พลพงแล้วก็ปล่อยเลยนะ ไม่ถูกหรอกนะแล้วมีเครื่องอยู่มารู้กายไว้คือตอนนั้นที่เพ่งเพราะว่าสงสัยเพราะหนูมาอยู่วัดอแล้วคือแต่ปกติเนี่ยจะเห็นจะเห็นจิตเยอ ะ, ะอะค่ะแต่ว่าตอนช่วงมาอยู่วัดอาจจะเพ่งเยอะอะค่ะอ๋ออยากดีเพ่งต่อห้าวันเลยแล้วทีนี้พอพอดูจิตไม่ได้มันฟุ้งไปหมดก็เลยเหมือนกับเขาสวิตชมาเองมาดูกายดูกายถูกแล้วค่ะ <c oughs> นะดูกายไปเรื่อยๆนะดูกายไปต่อไปก็เห็นจิต เราตอนนี้หนูควรไปทําในรูปแบบได้หรือยังคะได้ได้รู้ว่าเพ่งเป็นยังไงแล้วยังถ้ารู้ว่าเพ่งเป็นยังไงแล้วคราวนี้กลับไปทำนะไปทําสมถะได้แต่เดิมเราทําสมถะแล้วเราไม่รู้ว่าการเพ่งเป็นไงนะเราก็พี่เพ่งจนจิตนิง่งไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะนิ่งโ ง, ง่ๆอยู่ อ, อย่างนั้นเองนี่พอพอมันนิง่งพอสมควรแล้วต้เคลื่อนออกมานะมาดูกายทํางานมาดูจิตทํางานนะอย่าให้ค้างนิ่งอยู่เฉยๆไม่ดี แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวที่ความไม่เป็นกลางอะค่ะคือเห็นบ้างไหมเห็นบางบางทีมันเห็นเพราะว่าเราคิดแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นเองแล้วก็ยิ้มขึ้นมาอั น, นี้ออของจริงหรือเปล่าคะอ้าวเห็นเองนั่นแหละจิตมันเบิกบานขึ้นมานั่นแหละจริงไม่ไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาใช่ไหมคะที่แบบว่าที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นความสุขที่ขึ้นมาแล้วแ ล, แล้วเรายิ้มรู้จริงๆนะ่าจิตใจมันมีความสุขขึ้นมานะนั่นแหละรู้รู้รรไปนั่นแหละแต่เบื้องต้นก็จงใจก่อนนั่นแหละ ชิดนำอะไรเงี้ยแต่เบื้องปลายมันจะรู้เองขอบคุณมากค่ะเห็นไหมลืมกายลืมจิตอีกแล้วเห็นไหมเบอร์สิบสองพระอาจารย์คะหนูอะเมื่อเดือนธันวามไม่ได้มาสามอาทิตย์นะคะแล้วที่นี้หนูอะมีความทุกข์ทรมานมากเกี่ยวกับนิสัยของตัวเองนะคะประกอบกับ ไม่ได้มาวัดด้วยแล้วก็ทุกทรมารมาในที่ทำงานด้วยมองอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดในที่สุดมันทนไม่ไหวก็เลยนอนร้องไห้ที่บ้านมึงก็เหมือนกับเขื่อนพังทลายลงมาหมดแล้วมันไม่เก็บกดแล้วนั่นแหละหดีนี่พอ <c oughs> ตื่นขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้ลืมตา เราเห็นความหิวตัวใหม่เกิดขึ้นมาในจิตน่าอนาเก่งเว้ยหนูไม่ได้ดีใจแล้วก็ไม่ได้ขยาดความคิดที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เห็นหิวตัวแรกที่มันผุดขึ้นมาที่จิตก็คือกิเลสตัวเดิมนี่เองเออมันไม่ใช่ตัวใหม่เลยก็กิเลสของเก่าแหละ อันนี้คือข้อแรกนะคะที่หนูเห็นข้อที่สองก็คือหนูไม่แปลกใจเลยอ่ะที่พระอาจารย์สอนว่าเวลามาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนให้กลับไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องมาติดครูบาอาจารย์ hmm. เพราะเวลาที่หนูมากลับเรียนศึกษากับพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมของจิตใจทําให้หนูมีความเสื่อจิตมันผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยเดี๋ยวมันเสรพติดทีนี้แล้ว <laughs> มันก็มีบางครั้งพาอาจารย์ชมใช่ไหมคะแต่พอกลับไปใช้ชีวิตในสังคมเนะ่ยมันสาหาัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ก็คืออนุสัยการแก้ปัญหาในกระบวนการของจิตที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ชอบอกับทุกอย่างที่เข้ามากระทบกันหมดหนูก็เลยไปแปลโจทย์อันแรกออกที่ทําไมหนูเห็นความหิวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นตัวแรกเพราะหนูเก็บกฎมาตลอดนะคะ มันทําอะไรไม่ได้ไงคะอยู่ในสังค ม, มก็เลยเข้าใจกระบวนการนะคะเข้าใจเข้าใจตอบไปก็ทุกน้อยลงเลยแล้วไงล่ะมันไม่ได้จบไปเลยไงคะปัญหามันก็เข้ามาใหม่ได้ตลอดปัญหาไม่มีวันจบนะแต่ว่าจิตที่ฉเฉลียวฉลาดเนี่ยมันอยู่กับปัญหาโดยไม่ทุกเท่านั้นเองแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเนาะ แล้วข้อที่สองนะฮะก็คือหนูว่าบ้านหนูอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพยาหนูรู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะว่าม่มีพลังงานแต่ไม่ใช่เสียงนะคะดึงดูดโน้มน้าวคนให้ไปฆ่าตัวตายที่แม่น้ำนะ่ะแต่หนูไม่ไ ม, ม, ม่ไม่ใส่ใจเลยเราหนูมีความรสึกทำไม คือไม่ได้คิดมากมายนะคะแค่มากกาบเรียนเล่าให้พระอาจารย์ทราบว่าชีวิตที่มองได้เห็นสัมผัสได้ด้วยปกติเนี่ยมันก็น่ากลัวอืส่วนที่สัมผัสได้ไม่ใช่ด้วยตาก็น่ากลัวไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยไม่มีหรอกในโลกมีแต่ทุกข์โลกไหนก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเราอยู่กับมันด้วยความฉลาดนะอยู่กับมันด้วยความเป็นกลางถ้าอยู่กับมันด้วยความหิวเนี่ยทุรนทุรายไม่เลิกหรอก ถ้าอยู่กับมันแบบรู้ทันมันก็อยู่กับมันอาศัยมันไปอยู่กับอย่างมันอย่างเป็นกลางไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกไปฝึกเอานะค่อยเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นเม่งั้นเราไปเพ่งเรากลัวโลกข้างนอกเราก็หนีเข้าป้อมเพ่งเอาไว้นานๆวันหนึ่งป้อมของเราแตกเราก็พบว่าไอ้ที่สร้างไว้มันช่วยอะไรเราไม่ได้จริงหรอกนั้นทําความเข้าใจมันนะอยู่กับมันยังมีความสุขได้ ไล่สสิบปดเอ่อเห็นตัวสภาวะตัวหนึ่งเจ้าค่ะเวลาที่เรามีความทุกข์เจ้าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือพอตามรู้ว่ามีมีความทุกข์เกิดเนี่ยมันก็มันก็เห็นเหมือนความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเหมือนเราก็มองดูแต่เวลาที่จิตมันมีกําลังขึ้นเจ้าค่ะเห็นว่ามันมีระยะเหมือนเราออกไปสักนิดนึงแล้วหเห็นตัวตัวทุกข์เจ้ๆๆาค่ะก็ถูกแล้วล่ะ แต่ว่ารักษาอย่าไปรักษาระยะห่างน ะ, งะถ้าเรากลัวจิตไหลไปรวมอา ร, รมณ์รักษาระยะห่างไว้เนี่ยเป็นการแทรกแซงแนละ้วดงนั้นจิตจะไหลเข้าไปรวมอา ร, รมณ์ก็รู้จิตแยกออกมาก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นะรู้เพื่อวันหนึ่งก็เกิดปัญญาเห็นไหมเราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราทำงานของมันเอ ง, งทำงานไดตามเหตุตามผลของมันทำดีแล้วนี่ไปทาต่อร้อยแปดสิบหก อากาศชื้นๆเนี่ยหลวงพ่อจะหายใจไม่ค่อยจะทันวันนี้ชื้นจัดตั้งเก้าสิบกว่าเนะี่ยขออากาศเจ้าค่ะยมตามดูลูกกายใจครบปีวันนี้เจ้าค่ะค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะภาวนานแรกๆก็จะเห็นสุขต่อมาก็เจอทุกข์แล้วก็เป็นกลางมากขึ้นสงสัยน้อยลงนั่นเลยเจ้าค่ะามาตรงนี้แหละมาตรงที่กลางนี้หละ เจ้าค่ะสภาวะที่โยมเห็นคือเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่มีชีวิตไม่ทราบว่าเป็นนิมิตที่ตาหรือเห็นจริงเจ้าคะไม่สําคัญนะเจ้าค่ะสำคัญที่เรารู้ทันจิตต่างหากเจ้าค่ะอยางเห็นแล้วจิตสงสัยหรือว่าสงสัยนี่สำคัญกว่าเจ้าค่ะจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตรวนแต่เคลื่อนไหวทั้งสิ้นเจ้าค่ะค่ะโยมทําผิดอะไรหรือต้องระมัดระวังเราอย่าสนใจภายนอกนะเจ้าค่ะให้สนใจที่จิตของเราเอง ไม่ั้นถ้าเราดูออกข้างนอกเดี๋ยวรู้เห็นอะไรข้างนอกไปย้อนกลับมาที่ตัวเราที่ใจค่ะณปัจจุบันมันโล่งๆนะเจ้าค่ะมันโล่งประคองเปล่าโล่งโล่งๆออกไปน่า น, น <laughs> เห็นไหมมันออกนอกดูออกไหมเจ้าค่ะตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดตะกี้ที่ว่าหลวงพ่อก็เคยผิด ครูบาาจารย์บอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วไปโล่งอยู่ข้างนอกแล้วต้องย้อนกลับเข้ามาเครื่องอยู่ใช้พุทโธอยู่เจ้าค่ะได้ได้ไดพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตนะจะขอกันบ้านเพิ่มเจ้าค่ะไม่ทำต่อแล้วนะพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปนะก็ขอเพิ่มอีกค่ะห้าร้อยสามสามเชิญค่ะตอนนี้ตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยอะค่ะแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้ ทำรูปแบบก็คือเดินจงกรมเพิ่มนะคะแล้วก็คื อ, อช่วงเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะมันเห็นมันเห็นว่าเวลาเราไปเห็นอะไรอะค่ะอย่างเช่นเห็นตึกเป็นสีขาวแดงน้ําเงินเนี่ย ม, มันจิตมันก็วิ่งไปทำงานแบบยุบยๆ ย, ย, ย, ยพยายามจะปรุงบอกเลา ว, ว่าเนี่ยหมายความว่าอะไรแล้วก็หรือไปเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแรงผักบ้างถ้าเกน่นแหเรียกว่าตันหา เห็นไหมมันมีอาระมณ์มายั่วนะแล้วจิตมีตันหาขึ้นมาผักแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ผักเนี่ยมันก็ตามเขาไปเลยนะคะออแล้วคือมีอยุดทีหนึ่งก็คือเดินจงกรมอยู่แล้วเดินเดินก็ได้ยินเสียงเพลงอะคะอ่ะพอจิตได้ยินเสียงเพลงมันก็ปรุงแต่งจริงหรือว่าจิตสร้างขึ้น เสียงจริงหรือว่าจิตเสียงจริ ง, รงๆอนะค่ะเป็นมิวสิกวิดีโอของโบอะค่ะมันก็เป็นภาพโบหน้าไม่รู้จัก น, ะ <laughs> นักร้องนะคะ <laughs> เป็นหน้าผู้หญิงคนนี้ออใส่ชุดอย่างนี้คื อ, อตอนนั้นแบบใจมันก็แบบเอ้ยฉันอยากสงบอะแต่แบบจิตมันวิ่งไปเองอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเราภนานะเพื่อให้รู้ทันนะจิตไม่ใช่เราหรอกเห็นไหมจิตทำงานได้เองมันก็เลยแบบอ๋อเพราะเรามีหูอะใช่ มันมันมันจำเป็นต้องฟังอะใช่ใช่ตูเป๊ะเลยแต่ว่าคือถ้าไม่มีแต่ถ้าคมีตาเนี่ยเราจะไม่มองอี่ยเราก็หันหนะไปหรือเราก็หลับตาก<อ>็าได้ใช่ไหมคะอุทหสะใส่เยียบปล <c oughs> ั๊กค่ะก็ก็แต่ช่วงที่จิตมันไปทํางานเลรพวกนี้หนูรู้สึกว่าคือมันมีอาการเคลื่อนไหวที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะมันลําบากอะคะ่ะรู้ไปด้วยความเป็นกลางนะ รู้แล้วชอบก็รู้รู้แล้วเกลียดก็รู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็คือช่วงสองสมวันนี้รู้สึกว่าสติมันไม่ยอมเกิดเองก็เผลอไปแบบไปดูดูมันพอเผลอไปดูดูมันก็รู้สึกว่าเออนี่เราประคองการประคองอะ่ะคือเคยเห็นว่ามันเป็นการกระทำของเราเองอใช่ใช่จิตจิตทำงานไม่เป็นไรนะเราอย่าทำเราเป็นคนดคคูก็เลยแบบไม่ประคอง ก็สงสัยอีกแล้วเราจะดูอะไรอ่ะก็ภาวนาไม่เป็นอ้าวเขรู้ว่ากําลังสงสัยไงอารมณ์ปัจจุบันอ่ะดูอะไรดูอารมณ์ปัจจุบันแต่มันก็จะหลงไปทั้งวันนะคะต้องมีเครื่องอยู่ไงถ้าไม่มีเครื่องอยู่จะหลงยาวค่ะอย่างนี้คือดูกายเคลื่อนไหวหรือว่าหรือว่าทําความสงบก็ได้ใช่ไหมคะใช้พุทโธก็ได้พุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธนี้จิตนี้ไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้แหละ แต่ไปจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กันแล้วกัตัวพอจิตสงบตั้งมั่นแล้วถ้าอยู่เฉยเพลินสบายงั้นให้รู้ทันว่าไปติดในความนิ่งความว่างจิตก็จะเริ่มเคลื่อนไหวออกมาก็ามาคอยดูกายทํางานดูจิตทางานค่ะต่อไป93กราบเท้าท่านพระอาจารย์ครับเป็นการส่งกลับบ้านในรอบ2เดือนนะครับผมมีปัญหานิดนึงคือเหมือนกับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย เออเหมือนเข้าเหมือนก็นวงว่างๆข้างนอกประมาณนี้ไม่ยอมเข้าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปติดเฉยหรือเปล่าก็ผมก็ใช้พุโทโธ<ม>พุโทโธขึ้นมา้ทีนี้บางครั้งพุโทโธปุ๊บลืมไปมันมารู้สึกเหมือนกับผความรู้สึกกาย<ม>เว่ามีกายมีอยู่อย่างเงี้ยเออนั่นดีไม่รู้ว่าปัญญามันเกิดขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยเริ่มมารู้สึกกายนะแล้วก็จิตขยับเคยเยื่นเคลื่อนไหวได้ใช้ได้แล้วเราจะเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เราแล้ว ก็มีบางบางทีสัญญาที่เป็นสิ่งที่เป็นชั่วร้ายที่เคยทำในอดีตเี่ยมันผุดขึ้นมามปนความคิดปุ๊บแล้วมันมีสภาพหนึ่งมันก็รึร้อนขึ้นมาคือแค่เหมือนว่าเห็นความคิดขึ้นมาแล้วพอเห็นปุ้ก็ดับไปอย่างนี้ถูกต้องถูกแล้วงใช่ไหมนะครับรู้ทุกอย่างนะที่ปรากฏรู้ได้จิตที่เป็นกลางครับแล้วนิดนึงครับเออไม่ทราบตอนนี้ผมติดเพลงหรือเปล่าเพราะว่าสภาวะคือถ้าปเพงปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นผมจะรู้ ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ติดก็ดูสิถ้าติดถ้าเพ่งไปติดเพ่งนะใจคนแน่นครับแต่ถ้าใจโล่งว่างก็ไปติดว่างเหมือนกับเขาอยู่ข้างนอกไม่เหมือนไม่ยอมมาดูตัวเองนั่นแหละพยายามกลับมาที่ไกาอย่าให้เกินไกายไปให้เกินไกานะครับนะรู้สึกอยู่ในไกลตอนนี้ต้องทํำสมถะทําได้นะได้แล้วใชไหมครับได้แล้วครับผมกล่าวขอบพระคุณครับหกสบหนึ่งบางคนหลวงพ่อให้หยุดสมถะชั่วคราวนะเพราะว่าติดเพ่งรุนแรงเครียดอะไรอย่างนี้ อยุดชั่วคราวพอสติขึ้นมีขึ้นมาแล้วนะก็มาทำได้รู้ทันแล้วว่าตรงไหนเพ่งตรงไหนรู้สึก61อยู่ไหนเพิ่งมาครั้งแรกครับพระอาจารย์อยากอาขอคำแนะนำครับผมว่าที่ทำอยู่เป็นยังไงครับอา้าวก็ทำไปสิคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจนะลืมกายลืมใจก็เรียกขาดสติเพ่งกายเพ่งใจไว้กายแข็งแข็งใจขงแข็งแข็งเคียดเียดเนี่ยเรียกว่าเพ่งก็ผิดเหมือนกัน ผิดมีสองอันเองไม่เผลอก็เพ่งงั้นถ้าเราเผลอเราก็รู้ทันเพ่งอยู่ก็รู้ทันนะตรงที่รู้ทันนั่นแหละรู้นะรู้ทันสภาวะอย่างใจลอยไปคิดเกิดใจลอยไปคิดรู้ว่าใจลอยไปคิดนะเรียกว่ารู้ทันนะรู้จักใจลอยไหมลอยครับลอยบ่อยไหมบ่อยครับเออตอนฟังหลวงพ่อลอยไปบ้างไหมลอยครับเออนั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นแหละนะ แ, ลแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแน่นๆเป็นบางครั้งนะครับแน่นๆเพราเราจงใจบังค <พอ S 2> ับมัน จงใจปฏิบัติแน่นร้อยสีกก่สิบนวัศกรรมหลงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาบ่อยอยู่ไกลแต่ว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อจากเพื่อนๆที่เอามาให้นะคะฟังแล้วก็ฝึกเองที่บ้าน อ, าอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อแล้วก็ แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเพ่งคือคือจิตจะจะแบบเพ่งเพ่งแข็งแข็คือมันไม่โปร่งคือมันเหมือนเหมือนเราไปจงใจมากเกินไปทีแรกมันมีความโลภเกิดก่อนอยากปฏิบัติใช่ไหมพอโลภะเกิดก็เกิดการจ้องมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมคือการเพ่งจ้องเกิดวิบากคือแน่นขึ้นมาเป็นวงจรของมันเรียกว่าไตรวัตมีกิเลสมีกรรมมีวิบากหน้าที่ของเราก็คืออยากปฏิบัติรู้ว่าอยาก ก็ไม่ต้องเพ่งถ้าอยากปฏิบัติแล้วรู้ไม่ทันก็เกิดเพ่งถ้าเพ่งรู้ว่าเพ่งนะแต่ถ้าเพ่งแล้วใจแน่นเนี่ยความแน่นเป็นวิบากต้องชดใช้กรรมแล้วห้ามไม่ได้แล้วอเนื่องจากว่าคือเป็นคนเป็นอาชีพเป็นครูนะคะแล้วก็ประมาณว่าติดดีคือคือเท่าที่หนูลองอลองดูจิตตัวเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ รู้เลยว่าการที่เราแน่นหรือว่าตึงหรือว่ายึดอะไรเพราะว่าเราอยากดี<ช>เพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากช่วยเหลือคนอื่น<ม>อยากให้เขาได้ดีไปหมดแล้วบางทีเหมือนกับเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ในท้ายที่สุดดูไปดูมา ก, ก็คือเพราะว่าเรารักตัวเองมากเราอยากดีอ<ม>คือคือ อ, อเกงตรงจุดเนี้ยค่ะที่เห็นจากจากที่ได้ทํามาแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรมากก็คืออาจจะมีโอกาสมาหาหลวงพ่อไม่บ่อยนักแต่ น, นี้จะขอข อ, อการบ้านจากหลวงพ่อเป็ตัอย่างนั้นแหละทำอย่างที่ทําอยู่นี้แหละมัน<ฆ>คือการเรียนรู้ตัวเองนะก็<ฆ>เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเข้าใจแล้วความทุกข์มันจะลดลงเองแหละแล้วหนูต้องออมีสมาธิควบคู่ยังไงบ้างคะเพราะทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้สมาธิะไมาไม่มีอะไร<ฆ>มากนะ<ฆ>แค่หารูปแบบของการปฏิบัติมาซักอันหนึ่งก็ได้ จะอยู่ก you know ับพ <sa em> ุทโธก็ได้อยู่กับลมก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้แต่พุทโธไม่ได้บังคับให้จิตนิ่งนะถ้าพุทโธแล้วบังคับห้ามจิตหนีไปเลยนี่จะเครียดถ้าถ้าเกิดการเดินแล้วเรารู้ตัวก็คือจิตนิ่งแต่ว่ารู้กับการเดินนี่ก็เรียกว่าสมถะแล้วใช่ไหะใช่จิตไปเพ่งอยู่ในร่างกายก็เป็นสมถะแล้วค่ะนะค่ะ เราก็ต้องรู้นะว่าขณะนี้จิตเดินสมถะขณะนี้จิตเดินปัญญาก็ ร, รู้นะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมั่วเราไปทําสมถะเรานึกว่าเดินปัญญาอยู่เงี้ยเสียเลยหรือว่ากําลังเดินปัญญาอยู่นะแล้วก็ไปเพ่งให้นิ่ ง, งก็เสียเลย13อเชิญกราบธรรมส ก, การหลวงพ่อครับเออก็ตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้รู้ตัวบ่อยขึ้นมีสติกเกิดขึ้นบ่อย ช่วงก่อนนั่นเนี้ที่ปฏิบัติมีสติเกิดขึ้นแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นมาแต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยรู้สึกว่าเอที่เรารู้เนี่ยมันเป็นทุกข์อะครับอแต่ว่าก็เลยคิดว่าบางทีมันก็เลยจิตไปพุ่งสร้างเพราะว่าไม่เป็นกลางอืก็พอไปทําก็กลับไปทำสมถะปกติก็จะทํามาทุกวันนะครับดีสิแต่แต่ว่าปัญหาคือว่าตอนนี้เนี่ยทําสมถะแล้วจิตจะเหมือน หลับแล้วก็ไม่เป็นไรเป็นมาเป็นประมาณเดือนนึงแล้วครับอนะหลับนั้นนี้ก็นั่งได้วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้ไวเวลาจิตจรวมนะให้รวมไปนะให้เขาพักไปแต่พอจิตเริ่มเคลื่อนขึ้นมานี่ยมีสติตามรู้เลยแต่บางช่วงสมาธิมันล้าหน้าไปสติอ่อนไปนะแล้วนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็หลับแล้วอาจจะเปลี่ยนมาเดินแทนกรนะตุต้นความรู้สึกตัวด้วยการเดินแต่บางบางคนนะบางช่วงนะขนาดเดินยังหลับไเละ ถ้าถ้าจิตเป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่าเขาแร้วก็มีหน้าที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปจิตเป็นยังไงก็งแค่ตามรู้ไปนะมันเป็นช่วงๆอย่า ก, กลัวก็ไม่ไม่ควรทํารือว่าก็ให้รู้ไปว่ามันมันกึง่งๆึ่งหลับแต่มันก็ไม่ใช่หลับอเออนนะัรู้สึกอย่างนะั้นแต่ว่าถ้ามันติดอยู่ตรงนี้นานแนละ้วก็เคลื่อนไหวไปแต่ว่าจรงิงๆไม่เสียหรอกนะจิตมันจะสงบลงไปนะน้ําจะไปไหวอยู่ข้างในแล้วก็มีสติตามรู้ไปด้วยไม่ใช่ลืมตัวแล้วเขาหลับแท้ๆนะ ยังเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ภายในอย่างนี้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้หลวงพ่อเคยทำห้าสิบสาตอนแรกๆหัด น, นะดูอยู่อย่างนั้นนะอยู่ข้างในนะเราเห็นไหวๆไปด้วยนะพอนาไปตอนหลังยังนึกว่าจะต้องทำอย่างนั้นตลอดด้วยซ้าไปนะเจอครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ออกมาอยู่รู้สึกข้างนอกนี้53าสบกราบขอโอกาสครับหลวงพ่อครับเมือ่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดู ไม่ทั้งมั่นแล้วก็ไม่เป็นกลางครับตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นกลางอยู่ก็แต่มันฟุ้งๆอะครับตัวที่เห็นชัดตอนนี้ก็คืออัตตาของตัวเองเยอะมากครับคือภาวนาเป็นนะเราจะเห็นกิเลสนะคนภาวนาไม่เป็นก็รู้สึกกูเก่งกูดีคนภาวนาเป็นจะเห็นกิเลสยิ่งภาวนายิ่งเยอะนะยิ่งเห็นเยอะเรามีหน้าที่รู้มันไปจิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าชมนะท่านไม่ได้ว่าเลว ย่งจิตของเรามีอกุศลมาตลอดเลยแต่เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าติาเตียนอย่างนี้จิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลท่านว่าใช้ไม่ได้งนั้นการที่เราพานาจนกรทั่งจิตอกุศลเกิดเราก็รู้เกิดแล้วรู้ถือว่าดีแล้วละต่อไปแล้วจะมีปัญญาเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปร้อยสี่สิบหนึ่งกลับรับพิสการหลวงพ่อฮะ <S 2> <S 2> <S 2> เออมื่อกี้ตอนนั่งรอหลวงพ่ออยู่ก็นั่งออพยายามนั่งสมาธิแล้วก็ เหมือนพอเราหายใจหายไปจิตมันก็เหมือนนิ่งๆอยู่ะฮะแต่ว่าสักพักนึงมันจะเหมือนเหมือนแป๊บขึ้นมาที่หนะ้าอกอนะไรเงี้ยมันเป็นอาการของการเพ่งกันป่ะฮะอะไรแป๊บแล้วเป็นการเพ่งมาเหมือนเหมือนแน่นๆเจ<อ>็บๆแค่นี้นเราเพ่งอยู่เพ่งนะฮะจิตขนาดเนี้ยรู้ตัวชัดไหมดูเหมือนรู้สึกว่ารู้ตัวชัดนะฮะอ๋อนะค่อยๆสังเกตเย่าบางทีออกจากสมาธินี่น ะ, นะะออกจากสมาธิใหม่ๆเนะี่ความรู้ตัวยังไม่ชัดนะ่ะ เพราสมาธิที่เราทำเนี่ยเราเพ่งแรงไปนิดนึงมันมีมโมหะแทรกออกมาความรู้ตัวเนี่ยจะไม่แจ่มใสเต็มที่ค่อยๆสังเกตนะแต่แต่มันเหมือนกับว่าพอเนิ่งก็รู้ว่านิ่งแต่ว่าพอจิตซึมไหมขณะนี้ขณะนี้ซึมนิดหน่อยเรารู้ทันอย่างเนี้ยแต่ตอนที่มันเจ็บแป๊บหรือว่านั้นๆเนี่ย เราก็ไปรู้รว่า ม, มันเจ็บมันแน่นอะไรอย่างนี้ครัอย่างนั้นแหละรู้อย่างนั้นแล้วมันก็หายไปสุขทุกข์กดีชั่วนะฝุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกนี่แหละฮะนั่นอย่างนั้นเรียกว่ารู้เป็นกลางไหมครัใช่คือผมจะสับสนระหว่างคีย์เวิร์ดที่ผมพ่อเคยให้เป็นเช็คพอยต์ว่าว่ารู้ความจิตตั้งมั่นรู้เป็นกลางมไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรอย่างนี้คอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยมผมสึกว่าบางทีมันมันฟุ้งแล้วมันมั น, ม น, มนตามรู้ไม่ทันอะไรอย่างนี้ยมันไม่ตั้งมั่นแล้วม คิดโน้นคิดนี่ไม่ตั้งมั่ น, น <ฮะ S 1> จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อก็ตัวจะโปร่งโล่งเบานะมีความสุขรู้เนืรู้ตัวอยู่สบายสบายแต่วันไหน ท, ที่ที่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่โปร่งโล่งเบามันรู้สึกว่ามันฟุ้งไปเยอะแต่ว่ามันก็พอรู้กลับมาก็รู้ตอนนี้ฟุ้งนะรู้ตอนนี้ฟุ้งนะ <S <S แล้วก็รู้อย่างเงี้ยเป็นฉดชดชๆชดไปทั้งวันเลยฮะอแม้กระทั่งคืนนั้นเวลาหลับก็เหมือนกับเหมือนกับ ฝันก็เหมือนกับนอนนอนไม่เต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ดูเป็นทํางานดูเรืยความเป็นกลางน ะ, ะอย่าดูอย่างหมกมุ่นนะดูสบายๆ<ะ>ไม่หมกมุ่นเกินไปดูสบายๆ<ะ>ไม่ใช่ว่าต้องดูไม่ให้คลาดสายตาครับถ้าดูไม่ให้คลาดสายตาจะเครียดไปหน่อยครับนะแล้วโดยรวมที่ทํามาถือว่าถูกต้อง on Tra รคได้ออยังฮะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ ก็ให้รู้ทันสภาวะโลกปัจจุบันไปน <ฮะ S 2> อย่างถ้าจิตเราไปประคองไว้เราก็รู้ทันน ะ, <ฮ>ะจิตเป็นยังไงก็รู้ทันรู้โลกปัจจุบันไปได้รู้ <ฮะ S 2> ด้วยความเป็นกลางยินดีขึ้นมารู้ทันยินร้ายขึ้นมารู้ทั น, น ค, คือรู้สึกว่าเวลาทำในรูปแบบกับฟุ้งมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดในชีวิตจาวันเหมือนกับพอจะพอจะสังเกตได้อะไรอย่างเงี้ยครในรูปแบบถึงฟุ้งก็ควรทานะมันจะทาให้มีแรงและมีวินัยในตัวเอง ถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบ น, น, นานๆแจมจะเฉื่อยชา ใ, ชในชีวิตประจำวันจะดูไม่ค่อยได้ร้อยห้ากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะที่ผ่านมาปฏิบัติครั้งแรกๆนกะ็คือเพ่งนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจิตเบาขึ้นไม่ทราบว่ารู้ถูกต้องไหมนะคะอา้าวเป็นเบารู้ว่าเบาก็ถูกสิค่ะแล้ว เ, เราไม่ทราบว่าไปติดที่ว่างๆอะไรหรือเปล่าคะรู้ไหมล่ะ รู้สึกไหมมันนิ่งอยู่งั้นไหมสบายอยู่งั้นไหมเนี่ยเราวัดตัวเองได้นะก็รู้สึกว่าเป็นก็ติดสิใช่ไหมแล้วเราต้องทํำยังไงอะคะให้รู้ว่าติดอยู่พอรู้ว่าติดแล้วนะอย่าจงใจปฏิบัติมากของเราจงใจปฏิบัติแล้วก็เลยไปเพ่งอยู่ในว่างๆแล้วเป็นนิ่งๆอยู่งั้นให้กลับมาคอยรู้สึกกายบ่อยๆเคลื่อนไหวร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะไม่ให้มันไหลออกนอกกายไปตอนที่มันไปติดนิ่งๆว่างๆเนี่ยมันเกินกายออกไป รู้สึกไหมไปอยู่ข้างหน้านะกลับมาอยู่ที่กายไหมก็บางครั้งเหมือนกับอยากจะรู้ว่าจิตที่ไหลไปเป็นยังไงทำไ่รู้ <ทำ S 1> ว่าอยานะรู้ในปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกทาไม่เป็นอะไรค่ะ ด, ดูใจไปนะใจอยากขึ้นมาก็รู้เมื่อเจ็ดสิบสองกราบน้ำมศกาลหลวงพ่อคะ่ะก็เฝ้าสังเกตกายนี้ใจนี้มาได้สี่ถึงห้าเดือนแล้วค่ะหลวงพ่อ ระยะแรกก็จะรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านมากค่ะก็จะตามรู้จิตที่หลงคิดนะคะแล้วก็จะรู้ลมหายใจตามมาค่ะบางครั้งลมหายใจก็จะมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกตัวก็จะเน้นรู้อยู่ที่จิตนะคะหลวงพ่อแล้วไงล่ะระยะหลังนี้ก็จะรู้จิตที่ยินดียินๆๆร้ายมาซ้อนขึ้นมาก็จะรู้ตามนั้นค่ะหลวงพ่อก็ดีนี่ตอนกลางคืนก็จะทําตามรูปแบบค่ะก็นั่งรู้สึกตัวนะคะหลวงพ่ อ, อ ก็จะเห็นว่าจิตบางทีจิตหลงคิดก็จะรู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงมาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะหลวงพ่ออแต่ระยะหลังนี้ลูกจะรู้สึกว่ามันทุกข์อะค่ะหลวงพ่อสิ่งบางเรื่องเราไม่อยากคิดมันก็คิดนะคะหลวงพ่อเห็นไหมห้ามไม่ได้ค่ะนี่เราภาวนานะไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ได้แต่เราภาวนาจนรู้ความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองมันคิดได้เองมันทุกข์ได้เองรู้สึกไหมค่ะนะเรียนรู้ตรงนี้เรื่อยๆไป ก็อยากถามหลวงพ่อว่าที่ตามรู้นี่รู้ได้ถูกทางหรื อ, อยังคะหลวงพ่อถูกสิเราเห็นสภาว่าอย่างที่เขากาลังเป็นนะก็เห็นถูกหลักค่ะไปทําอีกนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเจสิบเก้ากลับลมัสัการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วย <c oughs> ไง <c oughs> ตื่นเต้นจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่อะค่ะ ยังอยู่ในรูในทางอยู่หรือเปล่าคะ่ะยังปฏิบัติอยู่ก็ยังอยู่ในรูในทางแหละรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นไหม <l ul ose> รู้สึกตัวได้บ่อยคะอ่ะอันนี่ยคือคําตอบนะรู้สึกตัวได้บ่อยก <l ul ose> ิเลสเกิดขึ้นรู้ว่าได้ไดัยขึ้นหลงสั้นลงอนะไรเนี้ยนี่ก็คือเครื่องมือชี้วัดของเราแหละกุศลเกิดได้บ่อยขึ้นอ่ะกุศลสั้นลงอนะไรเนี้ยก็ดีแหละก็ทําอีกค่ะก็เหนะ็น ตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าหนูเห็นถูกหรือเปล่าคะหนูเห็นทุกข์มากขึ้นอะค่ะเห็นทุกข์ก็สิทุกข์ก็สิถ้ายิ่งภาวนาแล้วสุขอย่างเดียวนะไปติดความสุขติดความว่างใช้ไม่ได้หรอกเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตเราก็คือทั้งกายนี้ทั้งใจนี้เนี่ยมีความทุกข์มีความบีบคั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาคนในโลกเนี้ยดิ้นหาความสุขตลอดแต่ว่ามันไม่เคยมี เราภาวนาจนเราเห็นความจริงนะจิตเลิกดิ้นพอจิตเลิกดิ้นจิตกับมีความสุขมีความสุขอีกชนิดหนึ่งมีความสุขที่เกิดจากจิตเลิกดิ้นจิตไม่มีตัณหามีความสุขไปอีกแบบหนึ่งขอบคุณค่ะร <101. S 3> ้อยหนึ่งกลาบในมาตรการหลวงพ่อครับก็มาส่งกันบ้านในรอบประมาณสี่เดือนนะครับช่วงนั้นใหม่ๆก็ ได้ค่อนข้างดีหลวงพ่อก็บอกว่าดีแล้วมันก็มันก็เกิดโลคเป็นไปตามวงจรก็คือเพง่งตาวงจรนั้นแหละพอเพ่งแล้วก็ทําไม่ได้มาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะทําทีไรก็เพ่งทุกทีอืแล้วก็เพิ่งเริ่มกลับมาได้แล้วก็มันก็ไม่เกิดอาการเพ่งอย่างนั้นอีกนี่ไงพอมาแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อโชม์อีกกลับไปเพ่งใหม่ออรู้ตัวแล้วครับว่ายังไงเพง่งเ อ, อตัวนี้ก็ตอนนี้ปัจจุบันที่ทําอยู่ก็คือว่าจะเน้นหนักไปทางเดินเดินจงกรมครับดีสิแล้วก็ แต่คราวที่แล้วสองอาทิตย์เมื่อก่อนมามีอยู่คนนึ่งเขาถามหลวงพ่อว่าเขาเขาเดินเขาเขาไปเดินจงกรมแล้วเขรู้สึกตีหลวงพ่อกลับบอกว่าอืของคุณเนี่ยมันโดนโดนกิเลสหลอกต้องไปนั่งผมก็เลยเอ๊ะผมก็เลยคราวที่แล้วไม่ได้ถา ม, มว่าของคุณไม่หลอกอะขอ ง, ของคุณไปเดิน<ม>ไว้ดีเดินเดิน <laughs> ไว้ดีนะครับเอ๋อ <laughs> ครับแล้วก็อยาคือคนนั้นอ่ะเขานั่งดีอยู่แล้วครับกิเลสก็บอกอย่านั่งเลยไปเดินเหอะ จะลิตนิสัยไม่ได้เหมอะกับการเดิน อ, อครับไปเดินนะหัวปักหัวปัม๊มทูปัดทูเปไปเลยครับแล้วของผมโดยรวมสามสี่เดือนไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับหลวพ่อรู้สึกตัวเองไม่เล่าว่ามันดีขึ้นหรือมันเลวลงคือตรงนั้นมันต่าลําบากครับแต่ที่รู้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถจากรตะก่อนเนี่ยชีวิตมันจะแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมครับการทํางานและการปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้นี่มันเริ่มเริ่มแทรกเข้าไปในการทํางานได้บ้างแล้วนั่นแหละภาวนาพัฒนาแล้วอ๋อครับ การภาวนาเนี่ยนะไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินหรอกครับ <180. S 2> กลับนำ้ำมัสการคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อส่งการบ้านครั้งที่2นะคะเมื่อ5เดือนที่แล้วส่งไปแล้วแล้วหลวงพ่อทักว่าจิตติดเพ่งะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปก็ฟังซีดีตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าจิตติดเพ่งเป็นยังไง คราวนี้พอฟังซีดีแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามประจำวันนะคะก็พอหลังๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า เ, เห็นเห็นความโกรธความลิสยาอะไรเงี้ยดีอันนี้ถือว่ า, ก, าก็ดีไงแต่เดิมเราเพ่งไว้ก็ไม่มีกิเลสให้ดูเลยก็นิ่งๆไปเช่ไหมพอเราไม่ได้จงใจปฏิบัติเพ่งมันมาจากจงใจปฏิบัติ พอเราไม่ได้จงใจจะปฏิบัตินะจิตมันทำงานตามธรรมชาติมันปลุงกิเลสขึ้นมาให้เราดูได้เรามีหน้าที่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วถือว่าเราสร้างกรรมหรือเปล่าคะคือถ้าเรามีความโกรธหรือมีความอิจฉาอย่างนี้เป็นมโนกรรมเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเรามีสติรู้ขึ้นมาตรงที่จิตเกิดอกุศล น, นะเนี่ยเป็นอกุศลนี่ก็จรงิงตรงที่เรามีสติรู้ทันเนี่ยจิตเป็นกุศลแล้ว แล้วกุษอนอันนี้ใหญ่คล้ายๆได้บุญเท่าคำปั้นนะได้บาปเท่านิ้วก้อยนะไม่ต้องกลัวหรอกอ๋อค่ะก็บางทีพอมีความโกรธบางทีเราก็มือไม้มันก็ถึงด้วยค่ะเออ อ, อย่างนั้นมันออกมากายกรรมแล้ว <laughs> เป็นนักปฏิบัตินะต้องระวังกายกรรมคือมันตามไม่ทันนะคะเออต่ อ, ตอไปก็เอาให้ทันนะค่ะเบอร์สามน้ำมการท่านอาจารย์ค่ะ ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็ระหว่างวันที่รู้สติเนี่ยก็พยายามทําจิตให้เป็นกุศล น, น, นะฮะแล้วพอมีอะไรที่แวบเข้ามาก็ระลึกรู้แล้วก็วางซะอเขาวางได้เองไหมหรือเราต้องช่วยเขาวางต้องช่วยนิดนึงเออใหม่ๆช่วยเขาหน่อยนะต่อไปสติเร็วขึ้นมันวางเข้ามันเองแนละ้วตอนนี้ถ้าเราจงใจวางก็ยังเหนื่อยอยู่ค <c oughs> แต่แต่ถ้าวางเองนะใจจะโล่ง ม, มีความสุขเลยแล้วในรูปแบบก็จะ หายใจเข้านะฮะแล้วก็พิจารณาโครงร่างส่วนกระดูกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้พิจารณาไปนะจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นพิจารณาไปได้วยทําความสงบไปพิจารณากายไปพิจารณาไปจนกทั้งจิตสงบนะบางทีเห็นกระดูกขึ้นมาจริงๆเลยบางทีเห็นร่างกายระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเลยเป็นแสงสว่างไปเลยก็มีพอร่างกายสลายไปหมดแล้วก็เหลือแต่จิตแล้วก็มาดูจิตต่อ นะพอกลับมามีร่างกายก็มาดูร่างกายต่อเราก็จะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูโยมเห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านโยมค่อยๆหัดตัวนี้น ะ, ะมันจะเดินปัญญาได้แล้วคาว่าทวนกระแสของครูบาอาจารย์คือทวนกระแสมีหลายอันนะแรกทวนกระแสกิเลสอ่างขี้เกียจภาวนาก็ต้องภาวนาอันที่สองนะจิตเนี่ยชอบไหลออกนอก แทนจะปล่อยให้ไหลออกนอกนะทวนกลับเข้ามาคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจเนี่ยคอยทวนเข้ามาอย่งนี้ส่วนทวนจริงๆคอยเกิดมากแล้วมันทวนเข้ามาอีกทีนึงเก้าสิบกการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสิ่งที่โยมจะเล่าถวายหลวงพ่อนี้ถ้าหากว่าทำได้ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาจากประสบการณ์นี้ก็ขอหลวงพ่อเมตตาช่วยสังสอนด้วยคือเมื่อ เมื่อช่วงปีใหม่ระหว่างรอยต่อช่วงปีเก่ากับปีใหม่โยมได้พยายามที่จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะตั้งใจภาวานาในรูปแบบจะ้ะคะตอนนี้พอทำทำ ท, ท, ทไปแล้วเนี่ยวันที่หหลังจากที่เราตั้งใจเนี่ยได้ดูสภาวะทั้งกายทั้งจิตเนี่ยก็เกิดสภาวะคือคืนวันที่สองวันที่สองตอนเช้าของคืนวันที่สองตีสามโยมก็ ทำจนกระทั่งหลับไปอย่างที่หลวงพ่อสอนแต่ ว, ว่าพอเอามือเอื้อมจะไปดูนาฬิกาตีสามว่าเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นเพราะว่าพอเอื้อมไปเนี่ย <c oughs> ก็เกิดสภาวะเป็นครั้งที่สองเหมือนครั้งแรกที่เคยเล่าถวายหลวงพ่อตอนเดินจงกรม hmm. มันเหมือนมีอะไรไม่ทราบเออก็บอกไม่ถูกแต่ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนน้ำค่ะไหลปลูดผ่านที่มือ hmm. มือนี้หยุดเลยมือนี้รู้สึก แต่เอ๊ท่นั้นแต่มันก็บอกไม่ถูกแต่ว่าผลที่ปรากฏจากหลังนั้นน่ะจิตใจเนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่หนึ่งจิตใจเนี่ยมีความอิ่มเอิบพองใสแล้วก็สงบครั้งแรกที่พบอย่างนี้ตอนเดินจงกรมที่เล่าถวายหลวงพ่อนั้นมันดีใจมันตูมตามจนล้นออกมาที่จะออกมาจากหัวใจแล้วออกมาที่ปากจนจนต้องพูดอยู่สองวันแต่อันนี้ก็เกิดเกิดแล้วก็อยู่เกิดดับอยู่ ทราบมีสติทราบอยู่เสมอนะคะทีนี้ก็ประคองนิดนึงทราบด้วยว่าประคองตัวตัวตัวรู้นี้ก็รู้สึกต่อมาก็คือรู้สึกว่าอ้าวตรงนี้เนี่ยตอนแรกเราว่าเราเราเราเห็นทุกข์ตอนที่เล่าถวายพระอาจารย์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่าทุกข์ทั้งที่เขาเล่ากันนะคะเราว่าเราเห็นแล้วห่างแล้วแต่มันไม่ใช่แล้วเจ้าค่ะจิตเรารู้ขึ้นมาว่าทุกข์ที่แท้จริงน่ะ คือกายกับจิตของเรานี่ oh, เองเป็นทุกตัวจริงละตอนนี้ oh. เป็นทุกจริงเลยเพราะว่าเราเห็นสภาวะที่เกิดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันเหมือนสว่างออกมาจากจิตใจเรา mm. มันมันไม่ได้เห็นแสงสว่างเลยมันสว่างแล้ว oh. ออกมาจากใจเราว่าอา้าวนี่ไงทุกทุกคือเนี่ยกายกับจิตพอเห็นอย่างนี้เนี่ยจิตจิตใจเนี่ยแทนที่จะสลดหดหูกลับรู้สึกสงบ ว่าอา้าวเราเรารู้แล้วนะว่าตัวจิตจิตเอตัวกายกับจิตนี่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเราจะทําอะไรไม่ได้ mm. เพราะว่าจิตเขาทําเองอย่างที่หลวงพ่อสอน mm. เขาจะทําของเขาเองเราเห็นเขาทําเขาคิดเขาปรุงเขาแต่งเดี๋ยวไปเห็นเขาเดี๋ยวเขาคิดดีคิดชั่วแต่จิตแต่กายเราเนี่ยกายของเรานี่ก็ เกิดดาบเกิดดาบอยู่ตลอดเวลาเราเห็นเกิดดาบเห็นอันนี้ยังทุกขังไม่เที่ยงก็เลยมารู้ว่าอ๋อนี่ตัวนี้เองที่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็จากนั้นโยมก็เดินออกมาเดินมาห้องน้ำก <vaya> um, ็ย <gesetz> um ังประคองอยู่แต่ว่ามาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็ยังมีมีความรู้สึกตัวดีอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าเบาเบาเนื้อเบาตัวก็เดินบนอยู่ในห้องน้าลุกมาจากที่นอนแล้วเดินบนอยู่ในห้องน้าก็มารู้อีกว่า อ้าวนี่นี่คือตัวที่ที่อย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะก็ว่าจิตใจเรานี่มันมันเรารู้แล้วว่าอ๋อนี่มันตัวเรานี่ไม่มีแล้วมไม่ไม่มีจริงๆเจ้าค่ะ<ม>ตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามหรือกายกับจิตเท่านั้นที่เขาต่างคนต่างทำงาน<ม>เขาจะตามเหตุปัจจัยที่เรากระทบที่เราเห็น เพราะนั้นเนี่ยโยมก็เลยเล่าถวายหลวงพ่ อ, อว่าถ้าสิ่งที่โยมเล่าเนียมันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ขอหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนำสั่งสอนด้วยเห็นน่าเห็นจริงน ะ, ะ, ะเออแต่เราค่อยสังเกตไปเวลาเราเผลอเผลเวลาเราคุยคุยอะไรเนี่ยมันมีความรู้สึกมีเราผุดขึ้นมาอีกไหมไปค่อยดูหลายๆเดือนเลยนะเจ้าค่ะเออจ้าค่ะไปดูต่อเจ้าค่ะ120เจ้าค่ะคนสุดท้าย มาเป็นครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติเป็นระยะมาได้ประมาณ1ปีไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างคะต้องรู้ตัวเองสิว่าเป็นอะไรไม่เป็นเห็นกิเลสไหมล่ะก็เห็นบ้างไม่เห็นบางเออเผลอบ่อยไหมบ่อยค่ะเปลนานนานค่ะอ๋บ่อยกับนานมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันนะเผลอบ่อยหรือเปลอนานล่ะหรือบางวันนานบางวันบ่อยก็เผลอบ่อยๆแล้วก็ครั้งนัน นานๆ <laughs> ให้รู้บ่อยๆนะคือต่อไปนี้กรารภาวนาะอย่าไปซีเรียสนะว่าต้องทําอะไรแปลกๆนะอย่าไปตกอกตกใจความรู้สึกใดเกิดขึ้นที่ใจนะก็ค่อยมีสติรู้ทันไปความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้โลภหลุดหลงหรือว่าปีติหรืออะไรเกิดขึ้นนะรู้โรคเดียวเลยรู้สบายสบาย ตามดูไปเรื่อยเพื่อเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นอยู่ชั่วคราวไม่นานก็หายไปความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธลงก็ชั่วคราวเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะไม่ต้องตกตกใจอะไรหรอกนะไปดูบ่อยๆแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะกับจริตะนะเรารักกายหรือรักจิตมากช่างคิดหรือว่าชอบสวยชอบงามล่ะจะเป็นทั้งคู่เลยค่ะตัวไหนมากกว่ากันล่ะอาจจะช่างคิดมากกว่า ช่คิดมากกว่าก็คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแต่อย่าทิ้งกายนะยังไงก็ต้องดูกายด้วยเพราะว่าจริงๆก็รักกายเยอะแหละรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาตินะงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆตอนไหนดูจิตได้ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกายไว้ตอนไหนดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกนะท่องพุโทโธไปก่อนก็ยังดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลยท่องไปอย่างนั้นแหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะพอจิตสงบ มันก็จะรู้ว่าจิตสงบกลับมาดูจิตได้นะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยดูจิตได้ก็ดูดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไว้นะเวียนอยู่อย่างนี้บ่อยบนะ่อยค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนแม่พระแบงหน้าก็คอยดูเอาว่าเวลาคุยเวลาอะไรเผลอเลอ เ, ลอเวลาคุยๆนะลองไปดูจะมีเราโผลขึ้นมาอีกไหมนะได้สังเกตตอนไปคุยๆจะดูง่ายนะเอาเชิญกลับบ้าน